มีประภาคตรัสว่าเราปุตุชนหรือสมณพราหมพึงกล่าวหาบุคคลนั้นด้วยโทษใดโทษนั้นไม่เชื่อชูบุคคลนั้นเลยเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นจึงไม่หวั่นไหวในพระวาทะทั้งหลายคำว่าเราปุตุชนในคำว่าเราปุทุชนหรือสมณพราหมพึงกล่าวหาบุคคลนั้นด้วยโทษใดอธิบายว่าชื่อว่าปุตุชน เพราะมีความหมายว่าอย่างไรชื่อว่าปุตุชนเพราะให้กิเลสหยาบเกิดขึ้นชื่อว่าปุตุชนเพราะมีสกักระิทิฏฐิอันหนานแน่นยังละไม่ได้ชื่อว่าปุตุชนเพราะปฏิญญาต่อหน้ า, าศาสดาหลายองค์ชื่อว่าปุตุชนเพราะถูกคติทุกอย่างร้อยรัดไว้มากชื่อว่าปุตุชนเพราะปรุงแต่งอภิสังขารต่างๆเป็นอันมาก ชื่อว่าปุตุชนเพราะถูกโอภากิเลต่างๆเป็นอันมากพัดพาไปชื่อว่าปุตุชนเพราะเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนต่างๆเป็นอันมากชื่อว่าปุตุชนเพราะถูกความเร่าร้อนต่างๆเป็นอันมากแผดเผาชื่อว่าปุตุชนเพราะกำนัดยินดีติดใจสยบหมกมุ่นเกาะติดเกี่ยวพันผัวพันเนกามคุณห้าเป็นอันมาก ชื่อว่าปุตุชนเพราะถูกนิวรห้าเป็นอันมากคุ่มหอ่อโอบล้อมห้อมล้อมครอบคลุมปกคลุมบทบังคำว่าสมณะได้แก่คนพวกหนึ่งเป็นผู้เข้าถึงสมบูรณ์ด้วยการบวชภายนอกศาสนานี้คำว่าพราหมได้แก่คนพวกหนึ่งผู้อ้างตัวว่าเป็นผู้เจริญคำว่าเราปุตุชนหรือสมณะพราหม เพื่องกาวหาบุคคลนั้นด้วยโทษใดอธิบายว่าเราปุถุชนพึงกล่าวหาบุคคนนนนลคค น, นั้นด้วยราคะโทสะโมหะมานะทิฐิอุทจจะวิจิกิกจฉาอนุสัยใดๆว่าเป็นผู้กำหนัดเป็นผู้ขัดเครืองเป็นผู้หลงเป็นผู้ยึดติดเป็นผู้ยึดมั่นเป็นผู้ฟุ้งซ่านเป็นผู้ลังเลหรือเป็นผู้ตกอยู่ในพลังกิเลส บุคคลนั้นละอภิสังขารเหล่านั้นได้แล้วเพราะละอภิสังขารได้แล้วเหล่าปุถุชนพึ่งกล่าว <S 2> <S 2> หาบุคคลนั้นโดยคติใดว่าเป็นผู้เกิดในนรกเป็นผู้เกิดในกำเนิดเดริชานเป็นผู้เกิดในเปตะวิสัยเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นผู้มีรูปเป็นผู้ไม่มีรูปเป็นผู้มีสัญญาเป็นผู้ไม่มีสัญญาหรือเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ บุคคลนั้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีการที่จะให้ปุตุชนเป็นต้นกล่าวหาพูดถึงเอ่ยถึงแสดงถึงชี้แจงถึงได้เลยรวมความว่าเราปุตุชนหรือสมณพราหมณ์พึงกล่าวหาบุคคลนั้นด้วยโทษใดว่าด้วยการเชื่อชูสองอย่างคําว่าบุคคล น, นั้นในคําว่าโทษนั้นไม่เชื่อชูบุคคล น, นั้นเลย ได้แก่พระอรหันตขีนาศพคำว่าเชื่อชูอธิบายว่าการเชื่อชูสองอย่างคือหนึ่งการเชื่อชูด้วยอำนาจตันหา 2. การเชื่อชูด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าการเชื่อชูด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าการเชื่อชูด้วยอำนาจทิฏฐิบุคคลนั้นละการเชื่อชูด้วยอำนาจตันหาได้แล้ว สลัดทิ้งการเชื่อชูด้วยอำนาจทิฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละ ก, การเชื่อชูด้วยอำนาจตัญหาสลัดทิ้งการเชื่อชูด้วยอำนาทิฐิได้แล้วบุคคลนั้นจึงไม่เที่ยวเชื่อชูตัญหาหรือทิฐิไว้คือไม่มีตัญหาเป็นธงชัยไม่มีตัญหาเป็นยอดธงไม่มีตัญหาเป็นใหญ่ไม่มีทิฐิเป็นธงชัยไม่มีทิฐิเป็นยอดธงไม่มีม <nooit S 2> ทิฐิเป็นใหญ่ ไม่ได้ถูกตันหาหรือทิฏฐิครอบเมามเทียวไปรวมความว่าโทษนั้นไม่เชื่อโชวบุคคลนั้นเลยคําว่าเพราะฉะนั้นในคําว่าเพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่วันไหวในพระวาทะทั้งหลายอธิบายว่าเพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นบุคคลนั้นย่อมไม่วันไหวคือไม่โยกไม่โคลงไม่กระเพื่อม ไม่สัน่นไม่สะท้านไม่สะเทือนในเพราะวาทะคือในเพราะการว่าร้ายนินทาติเตียนไม่สรรเสริญไม่ยกย่องความดีรวมความว่าเพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นจึงไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเหล่าปุถุชนหรือสมณพราหมึงกล่าวหาบุคคล น, นั้นด้วยโทษใด โทษนั้นไม่เชื่อชูบุคคลนั้นเลยเพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นจึงไม่หวั่นไหวในพระว่าทั้งหลาย95พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้เป็นมุนีเป็นผู้คลายความยินดีไม่ตระนีย่อมไม่กล่าวในเรื่องเลิกกว่าเขาไม่กล่าวในเรื่องเสมอเขาไม่กล่าวในเรื่องร้อยกว่าเขาเป็นผู้ไม่มีความกาหนดย่อมไม่ถึงความกาหนด คำว่าเป็นผู้คลายความยินดีไม่ตรณีอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความยินดีคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศมลมหลคือโลภะความยินดีนั้นบุคคลใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วบุคคลนั้นตรัสเรียกว่า ผู้คลายความยินดีคือผู้นั้นไม่ยินดีไม่ติดใจไม่สยบไม่หมกมุ่นในรูปในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโภชพระที่รับรู้และธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้มได้แก่เป็นผู้คลายความยินดีแล้วคือปราศจากความยินดีแล้วสละความยินดีแล้วคลายความยินดีแล้วปล่อยความยินดีและความยินดีแล้ว สลั่ทิ้งความยินดีแล้วเป็นผู้หมดความอยากแล้วเป็นผู้ดับแล้วเป็นผู้เย็นแล้วมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่รวมความว่าเป็นผู้คลายความยินดีคำว่าไม่ตรณีอธิบายว่าคำว่าความตรณีได้แก่มัจฉริยะห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสะมัจฉริยะสกุลมัฉริยะ สาลาภมัจฉริยะสี่วั น, นะมัจฉริยะหธ ร, รมะมมัจฉริยะความตระหนีความมุ่งแต่จะได้เห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าความตรหนีความตระหนีนั้นบุคคลใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้วบุคคลนั้นตรัสเรียกว่า ผู้ไม่ตรนีรวมความว่าเป็นผู้คลายความยินดีไม่ตรนี่คำว่ามุนีในคําว่าบุคคลผู้เป็นมุนีย่อมเม่กล่าวในเรื่องเลิกกว่าเขาเมื่อกล่าวในเรื่องเสมอเขาเมื่อกล่าวในเรื่องร่อยกว่าเขาอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนะผู้ก้าวล่วงกิเลสเป็นเครื่องคล้องและตันหานุตตะข่ายได้แล้วชื่อว่ามุนี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 ย่อมไม่ถึงความกำหนดอธิบายว่าคำว่าความกำหนดได้แก่ความกำหนดสองอย่างคือ 1. ความกำหนดด้วยอำนาจตันหา 2. ความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความกำหนดด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิบุคคลนั้นละความกำหนดด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งความกำหนดด้วยอานาจทิฏฐิได้แล้ว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 ความกำหนดสองอย่างคือหนึ่งความกำหนดด้วยอำนาจตันหาสอง ค, ความกำหนดด้วยอำนาจทิฐีนี้ชื่อว่าความกำหนดด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความกำหนดด้วยอำนาจทิฐีบุคคลนั้นละความกำหนดด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งความกำหนดด้วยอำนาจทิฐีได้แล้วเพราะเป็นผู้ละความกำหนดด้วยอำนาจตัหา ตลาดทิ้งความกําหนดด้วยอํานาจทิฐิได้แล้วจึงไม่กําหนดคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นซึ่งความกําหนดด้วยอํานาจตันหาหรือความกําหนดด้วยอํานาจทิฐิรวมความว่าเป็นผู้ไม่มีความกําหนดย่อมไม่ถึงความกําหนดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลผู้เป็นมุนีเป็นผู้คลายความยินดีไม่ตรณี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 บุคคลใดไม่มีความถือว่าเป็นของตนในโลกเมื่อไม่มีความถือว่าเป็นของตนย่อมไม่เศร้าโศกไม่ถึงความลําเอียงในธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นแหละเรียกว่าผู้สงบว่าด้วยผู้ไม่มีความถือว่าเป็นของตนคำว่าบุคคลใดในคำว่าบุคคลใดไม่มีความถือว่าเป็นของตนได้แก่พระอรหันตขีนาศ คำว่าไม่มีความถือว่าเป็นของตนในโลกอธิบายว่าบุคคลใดไม่มีความถือความยึดมั่นความถือมั่นความติดใจความน้อมใจถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณไรๆว่านี้ของเราหรือสิ่งนี้ของผู้อื่นความถือว่าเป็นของตนบุคคลนั้นละได้แล้วเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่า บุคคลใดไม่มีความถือว่าเป็นของตนในโลกว่าด้วยผู้ไม่เศร้าโศคําำว่าเมื่อไม่มีความถือว่าเป็นของตนย่อมไม่เศร้าโศอธิบายว่าไม่เศร้าโศถึงวัตถุที่แปรผันไปหรือเมื่อวัตถุแปรผันไปแล้วก็ไม่เศร้าโศย่อมไม่เศร้าโศคือไม่ลำบากไม่คล่่าครวญไม่ตีอกพร่าเพ้อไม่ถึงความหลงไหลว่า ตาของเราแปรผันไปหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราใจของเรารูปของเราเสียงของเรากลิ่นของเรารสของเราโพธิภะของเราตะปูนของเราหมู่คณะของเราอาวากของเราลาบของเรายศของเราสันเสริญของเราสุขของเราจีวรของเราบินทบาทของเรา เสนาสนะของเราทีลานปัจจัยเพศสัต์บริขารของเรามารดาของเราบิดาของเราพี่ชายน้องชายของเราพี่สาวน้องสาวของเราบุตรของเราทิดาของเรามิตรและอมากของเราญาติของเราย่อมไม่เจ้าโศกคือไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวญไม่ตีอกแพร่เพอไม่ถึงความหลงไหลว่า ผู้ร่วมสายโลหิตของเราแปรผันไปรวมความว่าเมื่อไม่มีความถือว่าเป็นของตนย่อมไม่เศร้าโศกอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งบุคคลใดถูกความไม่ยินดีคือทุกขเวทนากระทบครอบงำกลุ่มรุมประกอบย่อมไม่เศร้าโศกคือไม่ลำบากไม่คร่ำครวญไม่ตีอกพร่ำเพรอไม่ถึงความหลงไหลได้แก่ถูกโรคทางตากระทบ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 ครอบงำกลุ่มรุมประกอบย่อมไม่เศร้าโศกเพื่อไม่ลำบากใจเมื่อคร่าครวญไม่ตีอกพร่ำเพอไม่ถึงความหลงไหลรวมความว่าเมื่อไม่มีความถือว่าเป็นของตนย่อมไม่เศร้าโศกอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเมื่อความถือว่าเป็นของตนไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ย่อมไม่เศร้าโศกเือไม่ลำบากใจ ไม่ตีอกพร่ำเพอ้อไม่ถึงความหลงไหลว่าโอเราไม่มีสิ่งนั้นหนอเราพึงมีสิ่งนั้นหนอและเราไม่ได้สิ่งนั้นหนอรวมความว่าเมื่อไม่มีความถือว่าเป็นของตนก็ย่อมไม่เศร้าโศกอย่างนี้บ้างว่าด้วยผู้ไม่ลำเอียงคำว่าไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลายอธิบายว่าไม่ถึงฉันทาคติ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 ไม่ออกไปไม่ถูกพาไปไม่ถูกนําไปด้วยธรรมที่ก่อความเป็นฝักเป็นฝายรวมความว่าไม่ถึงความลาเอียงในธรรมทั้งหลายว่าด้วยผู้สงบคำว่าบุคคล น, นั้นแลเรียกว่าผู้สงบอธิบายว่าบุคคล น, นั้นเรียกคือกล่าวพูดบอกแสดงชี้แจงว่าผู้สงบเพื่อเข้าไปสงบสงบเย็นดับ รงัดรวมความว่าผู้นั้นแหลเรียกว่าผู้สงบด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลใดไม่มีความถือว่าเป็นของตนในโลกเมื่อไม่มีความถือว่าเป็นของตนย่อมไม่เศร้าโศกไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นแหลเรียกว่าผู้สงบปูราเพทสุตตนิเทศที่สิบจบ กลหวิวาทสุตานิเทศอธิบายกละหววาาวกละวิวาทสูตรว่าด้วยการทะเลวิวาทพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายกลหวิวาทสูตรดังต่อไปนี้97พระพุทธเนรมิตรทูลถามว่าการทะเลาะการวิวาทความครั่งครวน่นความเศร้าโศกความตรนีความถือตัว ความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากไหนกิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหนขอเชิญพระองค์โปรตรัสบอกเหตุนั้นคําว่าการทะเลาะในคาว่าการทะเลาะการวิวาทมีมาจากไหนอธิบายว่าการทะเลาะมีอาการอย่างเดียวกันกับการวิวาทได้แก่การทะเลาะก็คือการวิวาทการวิวาทก็คือการทะเลาะ อีกในหนึ่งว่าโดยการทะเลาะที่มีอาการต่างจากการวิวาทการวิวาทที่เป็นส่วนเบื้องต้นแห่งการทะเลาะเรียกว่าการวิวาทกล่าวคือพระราชาทรงวิวาทกับพระราชาก็ได้ประจัย์วิวาทกับประสักก็ได้พราหมวิวาทกับพราหมกก็ได้ข้าพดีวิวาทกับข้าพดียก็ได้มารดาวิวาสกับบุตรก็ได้บุตรวิวาทกับมารดาก็ได้ บิดาวิวาทกับบุตรก็ได้บุตรวิวาดกับบิดาก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาดกับพี่ชายน้องชายก็ได้พี่สาวน้องสาววิวาดกับพี่สาวน้องสาวก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาดกับพี่สาวน้องสาวก็ได้พี่สาวน้องสาววิวาดกับพี่ชายน้องชายก็ได้สหายวิวาดกับสายก็ได้นี้ชื่อว่าการวิวาท การทะเลาะเป็นอย่างไรคือคนครองเรือนฝ่าหาเรื่องกันก็ทำการทะเลาะกันด้วยกายวาจาบรรพชิตต้องอาบัดก็าทาการทะเลาะกันด้วยกายวาจานี้ชื่อว่าการทะเลาะคำว่าการทะเลาะการวิวาทมีมาจากไหนอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตรทูลถามทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศมูลเหตุ ต้นเหตุการเกิดขึ้นแดนเกิดสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยเหตุเกิดว่าการทะเลาะและการวิวาทมีมาจากไหนเพิเกิดจากไหนเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากไหนมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่า การทะเลาะการวิวาทมีมาจากไหนว่าด้วยความแคล้มครวญคําว่าความแคล้มครวญในคําว่าความแคล้มครวญความเศร้าโศกความตรนีอธิบายว่าความบ่นเพอ้อความแคล้มครวญกริยาที่บ่นเพอ้อกริยาที่แคล้มครวญภาวะที่บ่นเพอ้อภาวะที่แคล้มครวญการพูดพร่ำการพูดเพอ้อ การพูดเพ้อเจอความพร่ำเพ้อปริยาที่พร่ำเพ้อภาวะที่พร่ำเพ้อของผู้ถูกความเสียหายของญาติกระทบบ้างถูกความเสียหายแห่งพวกกระพับกระทบบ้างถูกความเสียหายเพราะโรคกระทบบ้างถูกศีลวิบัติกระทบบ้างถูกทิฏฐิวิบัติกระทบบ้างประจวบกับความเสียหายนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างถูกเคเ่งทุกอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้าง ว่าด้วยความเศร้าโศกคำว่าความเศร้าโศกได้แก่ความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความเศร้าโศกภายในความเศร้าโศกมากภายในความเร่าร้อนภายในความเร่าร้อนมากภายในความหม่นไหม่แห่งจิตความทุกข์ใจลูกศรคือความเศร้าโศกของผู้ถูกความเสียหายของญาติกระทบบ้าง ถูกความเสียหายแห่งโภพกรัพย์กระทบบ้างถูกความเสียหายเพราะโรคกระทบบ้างถูกศีลวิบัติกระทบบ้างถูกทิฏฐิวิบัติกระทบบ้างประจวบกับความเสียหายอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างถูกเหตุแห่งทุกข์อื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างคําว่าตรณีได้กแก่มัจฉ ร, ริยะห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสัมมัจฉ ร, ริยะ สอปุลมัชฌริยะสาลาภมัชฌริยะสี่วั น, นมัชฌริยะหธรรมมัชฌริยะความตรณีปริยาที่ตรณีภาวะที่ตรณีความเห็นแก่ได้ความถี่เหนียวความที่จิตเจ็บร้อนในการให้ความที่จิตหัวแหนเห็นป่านนี้นี้ตรัสเรียกว่าความตรณีอีกนายหนึ่งความตรณีขันก็ดี ความตรณีทาาก็ดีความตรณีอายตนะก็ดีความมุ่งแต่จะได้ก็ดีนี้ตรัสเรียกว่าความตรณีรวมความว่าความคร่าครวญความเศร้าโศกความตรณีคำว่าความถือตัวในคำว่าความถือตัวความดูมิ่นและวาจาส่อเสียดอธิบายว่าคนบางคนในโลกนี้เกิดความถือตัวเพราะชาติบ้างเพราะโคตรบ้าง เพราะเป็นบุตรของผู้มีตระกูลบ้างเพราะเป็นผู้มีรูปงามบ้างเพราะมีทรัพย์บ้างเพราะการศึกษาบ้างเพราะหน้าที่การงานบ้างเพราะมีหลักแห่งศิลปะวิทยาบ้างเพราะวิทยาฐานะบ้างเพราะความคงแข่เรียนบ้างเพราะปฏิพานบ้างเพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างคำว่าความดูหมิ่นได้แก่คนบางคนในโลกนี้ ดูหมิ่นผู้อื่นเพราะชาติบ้างเพราะโคตรบ้างเพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างว่าด้วยผู้มีวาจาส่อเสียดคําว่าและวาจาส่อเสียดอธิบายว่าคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมูน่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไปบอกคนข้างนี้ เพื่อทำลายคนหมู่โน้นด้วยวิธีนี้ก็ทำคนที่สามัคคีให้แตกแยกหรือจะหนับสนุนผู้ที่แตกแยกกันแล้วชอบการแบ่งพวกแบ่งเรายินดีแฟนแบ่งพวกแบ่งเราสนุกกับการแบ่งพวกแบ่งเราผู้แต่เรื่องก่อให้เกิดการแบ่งพวกแบ่งเรานี้ตรัสเรียกว่าความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดอีกในหนึ่ง บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รักสองด้วยประสงค์ให้เขาแตกกันบุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รักเป็นอย่างไรคือบุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รักด้วยคิดว่าเราจะเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่คุ้นเคยเป็นที่สนิทสนม เป็นที่ดีใจของผู้นี้บุคคลย่อม น, นำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รักเป็นอย่างนี้บุคคลย่อม น, นำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้เขาแตกกันเป็นอย่างไรคือ <c oughs> บุคคลย่อม น, นำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยคิดว่าทำอย่างไรชนเหล่านี้พึงเป็นคนแปลกแยกแตกต่างเป็นพักเป็นเหล่าเป็นสองพวกเป็นสองฝักสองฝ่าย แตกแยกไม่ปรองดองกันอยู่ลำบากไม่สบายบุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้เขาแตกกันเป็นอย่างนี้รวมความว่าความถือตัวความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียดคาว่ากิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหนขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุนั้นอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตรทูลถามทูลสอบถาม ทูนขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศมูลเหตุต้นเหตุการเกิดขึ้นแดนเกิดสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยเหตุเกิดแห่งกิเลสแปดจำพวกเหล่านี้ว่ากิเลสแปดจำพวกเหล่านี้คือหนึ่งการทะเลาะสองการวิวาทสความครื่ำครวญสความเจ้าโศกหความตรณี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 คำว่าขอเชิญพระองค์โปรตรัสบอกเหตุนั้นอธิบายว่าขอเชิญพระองค์โปรตรัสคือขอโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่ากิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหนขอเชิญพระองค์โปรตรัสบอกเหตุนั้นด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรมิตรจึงทูลถามว่าการทะเลาะการวิวาท ความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตรหนีความถือตัวความดูหมิน่นและวาจาส่อเสียมีมาจากไหนกิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหนขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุนั้น 18พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าการทะเลาะการวิวาทความคร่ะมครวญความเศร้าโศกความตรณีความถือตัวความดูมินและวาจาส่อเสียดมีมาจากสิ่งเป็นที่รักการทะเลาะการวิวาทประกอบในความตรณีมีมาจากสิ่งเป็นที่รักเมื่อการวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้น ว่าด้วยการทะเลาะเป็นต้นมาจากสิ่งเป็นที่รักคำว่าสิ่งเป็นที่รักในคำว่าการทะเลาะการวิวาทความแคล่มครวญความเศร้าโศกความตรณีมีมาจากสิ่งเป็นที่รักได้แก่สิ่งเป็นที่รักสองจำพวกคือหนึ่งสัตว์สองสังขารสัตว์เหล่านี้เป็นที่รักสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ เป็นผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่เกลือกูลปรารถนาแต่ความผาสุกปรารถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะเคอมาดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดามิตรอมารญาติหรือผู้ร่วมสายโลหิตของผู้นั้นสัตว์เหล่านี้ชื่อว่าสิ่งเป็นที่รักสังขารเหล่าไหนาเป็นที่รัก รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพะที่น่าพอใจสังขารเหล่านี้ชื่อว่าสิ่งเป็นที่รักชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะถูกแย่งชิงไปย่อมก่อการทะเลาะกันบ้างเมื่อสิ่งเป็นที่รักกาลังถูกแย่งชิงไปย่อมก่อการทะเลาะกันบ้างเมื่อสิ่งเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปแล้วย่อมก่อการทะเลาะกันบ้างชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่า สิ่งเป็นที่รักจะแปรผันไปย่อมก่อการทะเลาะกันบ้างเมื่อสิ่งเป็นที่รักกำลังแปรผันไปย่อมก่อการทะเลาะกันบ้างเมื่อสิ่งเป็นที่รักแปรผันไปแล้วย่อมก่อการทะเลาะกันบ้างชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะถูกแย่งชิงไปย่อมวิวาสกันบ้างเมื่อสิ่งเป็นที่รักกำลังถูกแย่งชิงไปย่อมวิวาสกันบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปแล้วย่อมวิวาทกันบ้างชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะแปรผันไปย่อมวิวาทกันบ้างเมื่อสิ่งเป็นที่รักแปรผันไปแล้วย่อมวิวาทกันบ้างชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะถูกแย่งชิงไปย่อมคร่ำครวญบ้างเมื่อสิ่งเป็นที่รักกำลังถูกแย่งชิงไปย่อมคร่ำครวญบ้าง เมื่อส so like ิ่งที่เป็นที่รักถูกแย่งชิงไปแล้วย่อมคร่ำครวญบ้างชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะแปรผันไปย่อมคร่ำครวญบ้างเมื่อสิ่งเป็นที่รักกำลังแปรผันไปย่อมคร่ำครวญบ้างเมื่อสิ่งเป็นที่รักแปรผันไปแล้วย่อมคร่ำครวญบ้างชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะถูกแย่งชิงไปย่อมเศร้าโศกบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รักกำลังถูกแย่งชิงไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อสิ่งเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปแล้วย่อมเศร้าโศกบ้างชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะแปรผันไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อสิ่งเป็นที่รักกำลังแปรผันไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อสิ่งเป็นที่รักแปรผันไปแล้วย่อมเศร้าโศกบ้างชนทั้งหลายย่อมรักษาปกป้องถือครองยึดถือว่าเป็นของเรา ประพฤตรหนีอยู่ซึ่งสิ่งเป็นที่รักคําว่าความถือตัวความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียดอธิบายว่าชนทั้งหลายเกิดความถือตัวเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักเกิดความดูหมินเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักชนทั้งหลายเกิดความถือตัวเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักเป็นอย่างไรคือชนทั้งหลายเกิดความถือตัวเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักว่า เราเป็นผู้มีปกติได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะที่ถูกใจชนทั้งหลายเกิดความถือตัวเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักเป็นอย่างนี้ชนทั้งหลายเกิดความดูหมินเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักเป็นอย่างไรคือชนทั้งหลายเกิดความดูหมินเพราะอาศัยส <Tracy S 2> ิ <char> Funny, <evalu> ่งเป็น <Diamond>: ที่รักว่าเราเป็นผู้มีปกติได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะที่ถูกใจส่วนชนอื่นเหล่านี้ หามีปกติได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ถูกใจไม่ชนทั้งหลายเกิดความดูหมิน่นเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักเป็นอย่างนี้คำว่าวาจาส่อเสียดอธิบายว่าคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้กล่าววาจาส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทาลายคนหมูน่นี้อย่างนี้ชื่อว่านาวาจาส่อเสียดเข้าไป โดยมุ่งหวังให้เขาแตกกันรวมความว่าความถือตัวความดูหมิน่นและวาจาส่อเสียดคำว่าการทะเลาะการวิวาทประกอบในความตรณีได้แก่กิเลสเจ็ดชนิดเหล่านี้คือหนึ่งการทะเลาะสองการวิวาทส ค, ค, ค, ความเคร่ําครวญสความเศร้าโศกหความถือตัว 6. ความดูหมิน่น เวาจาส่อเสียดประกอบคือเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องสืบเนื่องในความตรนีรวมความว่าการทะเลาะการวิวาทประกอบในความตรนีคําว่าเมื่อการวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้นอธิบายว่าเมื่อการวิวาทเกิดคือเกิดขึ้นบังเกิดบังเกิดขึ้นปรากฏแล้ว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 เราจากเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่คุ้นเคยเป็นที่สนิทสนมเป็นที่ดีใจของผู้นี้บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รักเป็นอย่างนี้บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียเข้าไปด้วยประสงค์ให้เขาแตกกันเป็นอย่างไรคือบุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้เขาแตกกันว่า ทำอย่างไรชนเหล่านี้พึงเป็นคนแปลกแยกแตกต่างเป็นพักเป็นเหล่าเป็นสองพวกเป็นสองฝักสองฝ่ายแตกแยกไม่ปรองดองกันอยู่ลำบากไม่สบายบุคคลย่อมนำวาจาสอเสียเข้าไปด้วยประสงค์ให้เขาแตกกันเป็นอย่างนี้รวมความว่าเมื่อการวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็มีวาจาส่อเสียเกิดขึ้นด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าการทะเลาะการวิวาท ค, ค, ค, ความเครื่มครวนความเศร้าโศกความตรนีความถือตัวความดูหมินและวาจาส่อเสียดมีมาจากสิ่งเป็นที่รักการทะเลาะการวิวาทประกอบในความตรนีมีมาจากสิ่งเป็นที่รักเมื่อการวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้น พุทเธเนริทูนถามว่าสิ่งเป็นที่รักในโลกมีอะไรเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุว่าด้วยอะไรเป็นต้นเหตุแห่งสิ่งเป็นที่รัก คำว่าสิ่งเป็นที่รักในโลกมีอะไรเป็นต้นเหตุอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตรทูลถามทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศถึงมูลเหตุเกิดแห่งสิ่งเป็นที่รักว่าสิ่งเป็นที่รักมีอะไรเป็นต้นเหตุคือเกิดจากอะไรเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดจากอะไรบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากอะไรมีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าจีงเป็นที่รักในโลกมีอะไรเป็นต้นเหตุคำว่าและชนเหล่าใดในคำว่าและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลกได้แก่ประสัตรพราหมณ์แพทย์สูตรครหัตบัรปชิตเทวดาและมนุษย์คาว่าเพราะความโลก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 มนุสยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกรวมความว่าและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลกคำว่าความหวังและความสาเร็จหวังนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตรทูลถามทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศถึงมูลเหตุเกิดแห่งความหวังและความสาเร็จหวังว่า ความหวังและความสำเร็จหวังมีอะไรเป็นต้นเหตุคือเกิดจากอะไรเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดจากอะไรบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากอะไรมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเดชเกิดมีอะไรเป็นกาเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าความหวังและความสำเร็จหวังนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุ คำว่าความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าอธิบายว่าความหวังและความสำเร็จหวังใดเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าคือเป็นเกอกเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเร้นเป็นที่พึ่งของนรชนคือนรชนเป็นผู้มีความสำเร็จหวังเป็นที่ไปในเบื้องหน้ารวมความว่าความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้า ด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรมิจึงทูลถามว่าสิ่งเป็นที่รักในโลกมีอะไรเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภองชนเหล่านั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุความหวังและความสําเร็จหวังใดจะมีแก่นอรชนในภพหน้าความหวังและความสําเร็จหวังนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจิงเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นอรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังของนอรชนนั้นมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุ คำ ว, ว่าความพอใจในคำว่าสิ่งเป็นที่ทรัก <eri> ในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุได้แก่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความกําหนัดด้วยอำนาจความใคร่ความเพลิดเพลินด้วยอำนาจความใคร่ความทยานอยากด้วยอำนาจความใคร่ความเยื่อายด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความติดใจด้วยอานาจความใคร่ พ่วงน้ําคือความใคร่กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร่กิเลสเครื่องยึดมั่นคือความใคร่กิเลสเครื่องกั้นจิตคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายอีกในหนึ่งความพอใจ5้าอย่างคือ 1. ความพอใจในการแสวงหา 2. ความพอใจในการได้สความพอใจในการบริโภค 4. ความพอใจในการสะสม 5. ความพอใจในการสลาความพอใจในการแสวงหาเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ชอบใจมีความต้องการเกิดความพอใจก็แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะน้ชื่อว่าความพอใจในการแสวงหาความพอใจในการได้เป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ชอบใจมีความต้องการ เกิดความพอใจย่อมได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะนี้ชื่อว่าความพอใจในการได้ความพอใจในการบริโภคเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ชอบใจมีความต้องการเกิดความพอใจย่อมบริโภครูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะนี้ชื่อว่าความพอใจในการบริโภคความพอใจในการสะส ม, ม, ม, ใใสะสมเป็นอย่างไร คือคนบางคนในโลกนี้ชอบใจมีความต้องการเกิดความพอใจย่อมทำการสะสมทรัพย์หรือหวังว่าจาัะมีประโยชน์ในคราวเกิดอันตรายนิชื่อว่าความพอใจในการสะสมความพอใจในการ ส, ะ ส, าารสะละเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ชอบใจมีความต้องการเกิดความพอใจย่อมสละทรัพย์ให้แก่พช้างพลมาพรถ พนธนูพลเดินเท้าด้วยคิดว่าคนเหล่านี้จะรักษาปกป้องห้อมล้อมเรานี้ชื่อว่าความพอใจในการสละว่าด้วยสิ่งเป็นที่รักสองจำพวกคําว่าสิ่งเป็นที่รักได้แก่สิ่งเป็นที่รักสองจำพวกคือหนึ่งสัตว์สองสังขารสัตว์เหล่านี้ชื่อว่าสิ่งเป็นที่รักสังขารเหล่านี้ชื่อว่าสิ่งเป็นท <footprint. S 2> ี่รัก คำว่าสิ่งเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุอธิบายว่าสิ่งเป็นที่รักมีความพอใจเป็นต้นเหตุคือมีความพอใจเป็นเหตุเกิดมีความพอใจเป็นกาเนิดมีความพอใจเป็นแดนเกิดรวมความว่าสิ่งเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุคําว่าชนเหล่าใดในคําว่าและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภ ได้แก่กระจัดพราหมแพทยสูตรครรหัตบรรปะชิตเทวดาและมนุษย์คำว่าเพราะความโลภได้แก่ความโลภกิริยาที่โลภภาวะที่โลภความกำหนัดนักกิริยาที่กำหนัดนักภาวะที่กำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะคำว่าท่องเที่ยวไปได้แก่ท่องเที่ยวไปคืออยู่ เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปคําว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกในอายตนะโลกรวมความว่าและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลกว่าด้วยความหวังคําว่าความหวังและความสําเร็จหวังของนรชนนั้นมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุอธิบายว่า ตัณหาตรัสเรียกว่าความหวังคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะคำว่าความสำเร็จหวังอธิบายว่าคนบางคนในโลกนี้เมื่อแหวงหารูปก็ได้รูปเป็นผู้สมหวังในรูปเมื่อแสวงหาเสียงกลิ่นรสโพธพภะตระกูมูคณนะอาวาสลาบยศสันเสริญสุข จีวอบินทบาทเสนาสนะคีฬานปัจจัยเพศปริคานพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมอารัญย์กลางฆาตุดงปินทปาติกลังฆาตุดงบางสกูลิกลังฆาตุดงเตจีวริกลังฆธุดงสปธานจาริกลางฆธุดงขลุปัชชาภัติกลังฆธุดงเนสัชิกลังฆาตุดงยถาสันติกลังฆธุดง ปถมชาญทุติยชาญตติยชาญจตุทชาญอากาสารัญจายตนะสมาบัตวิญญาณัญจายตนะสมาบัตอาคินจัญญาตนะสมาบัตเมื่อแสวงหาเนวสัญญานาสัญญาตนะสมาบัตก็ได้เนวสัญญานาสัญญาตนะสมาบัตเป็นผู้สมหวังในเนวสัญญานาสัญญาตนะสมาบัต สมจริงดังที่พระกาลุชายีกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าชาวนาไถานาก็ด้วยหวังผลหวานพืชก็ด้วยหวังผลพวกพ่อค้าเที่ยวหาทรัพย์เดินเรือไปสมุดก็ด้วยหวังผลข้าพระองค์อยู่ในที่นี้ด้วยความหวังอันใดขอความหวังอันนั้นของข้าพระองค์จงสําเร็จเถิดความสําเร็จตามความหวังตรัสเรียกว่าความสําเร็จหวัง คำว่าความหวังและความสำเร็จหวังของนราชนั้นมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุอธิบายว่าความหวังและความสำเร็จหวังมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุมีความพอใจเป็นเหตุเกิดมีความพอใจเป็นกำเนิดมีความพอใจเป็นแดนเกิดรวมความว่าความหวังและความสำเร็จหวังมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุ